บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธคุณบทว่าสักโกที่แปลว่าเป็นผู้องค์อาจหรือเป็นสักกะท่านได้เน้นไปที่ความเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุ เหตุนั้นก็มีอยู่สามประ ก, การด้วยกันประ ก, การแรกก็คือโครงทรงอุบัตในสักยะสกุลจึงจะชื่อว่าสักกะที่แปลว่าผู้องค์งานประ ก, การที่สองทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติคือธรรมะที่เป็นโลกุตระและทรงเปิดเผยชี้แจงแสดงธรรม เ่านันแก่โลกตรงจึงได้ชื่อว่าส ก, กะคือร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติโดยพระอัจฉรยประการที่สามคือโดยพระอัยารัยทรงแก้วกล้าอ ง, งาอาจกล้าหารไม่หวาดหวั่นในที่ทั้งปวงเรียกว่าเป็นผู้ไม่สะดุง้งคราวนี้ท่านสาธุรชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า คนเรานั้นเมื่อกล่าวประเพณีใหญ่คือพวกที่ยังสะดุ้งกับพวกที่หายสะดุ้งถ้าจะสืบสาวไปถึงต้นต่อของความสะดุ้งและความไม่สะดุ้งก็จะพบว่าล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุด้วยกันทั้งสองฝ่ายความสะดุ้งทั้งหลายนั้นเมื่อเราสืบสาวถึงต้นต่อจริงๆก็คือจิตที่ยังมีกิเลสอยู่ อัสาบใดที่ยังมีกิเลสอยู่สาบนั้นคนก็ยังตกอยู่ในความสะดุ้งความหวัดวันความหวัดกลัวความระแวงคือจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางครั้งทรงใช้คําว่ามีอาการขนพองเสียงกล้าวคือแสดงว่าภายใจิตใจของบุคคล น, นั้นมีปัญหามากแต่จะออกมาในลักษณะใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนบุคคลที่ไม่สะดุ้งบางครั้งท่านใช้คาบาลีวตาธิโนโคือคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่วท่านผู้นั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปงแลงลักษณะการสอนให้ดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนั้นก็แล้วแต่จะใช้บางครั้งทรงใช้าคาว่าไม่ฟูขึ้นและไม่ฟุบลง คนที่ฟูขึ้นฟุบลงนั้นคือมีความเปลี่ยนป จ, จิตใจมีความเปลี่ยนแปลงด้วยความหวาดสะดุ้งบ้างความหายสะดุ้งบ้างแล้วก็สะดุ้งต่อไปบ้างหรือบางครั้งก็เป็นการฟูขึ้นเพราะลาบประยศเพราะสรรเสริญเพราะความสุขฟุบขึ้นเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกเน้นทาถูกความทุกข์เหล่านี้ทั้งแล้วแต่เป็นปริยายคือในยะนั้นๆที่นำมาแสดง แต่เมื่อกล่าวโดยส่วนเหตุแล้เกิดขึ้นมาจากกิเลสได้เกิดขึ้นมาจากธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่สัตว์ผู้สะดุ้งทั้งหลายว่าจะพูดกันในแง่ใดก็ตามเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นสักกะคือผู้องอาจในกรณีนี้ต่อมาในตอนหลังพระโบราณอาจารย์นายกย่องสรรเสริญ พระคุณของพระพุทธเจ้าไว้โดยนิยะต่างๆคำามาตอนหลังในที่นี้ก็หลังในสมัยพุทธกาลนั่นเองแต่เป็นช่วงหลังจากการตัสรูมา <c oughs> เมื่อพบเห็นพระพุทธจริยาในด้านต่างๆแล้วคนเหล่านั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระองค์ไว้โดยนิยะต่างๆบางแง่งก็มีเป็นร้อยๆข้อส่วนมากจะเน้นให้เห็นถึง คุณสมบัติของพระองค์ทั้งที่ส่วนที่เป็นปัญญาความบริสุทธิ์และความกรุณาความไม่สะดุ้งเป็นอาการของความบริสุทธิ์คือคนเราถ้าจิตใจไม่มีปัญหาอาการหวาดสะดุ้งก็ไม่เกิดขึ้นรู้เจ้าเองเมื่อก่อนก็เคยสะดุง้งในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับสั่งเล่าถึงการมาเป็นเพียงของพระองค์ก็หวาดกลัวไปด้วยประการต่างๆ แล้วค่อยวิเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขปัญหาไปในแต่ละจุดในที่สุดก็หายสะดุง้งการที่ทรงหายสะดุ้งก็เพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้สะดุง้งความสะดุ้งกลัวอาการขนฟองสยองกล้าวจึงไม่มีผู้ปรารถนาที่จะดำเนินตนไปตามเส้นทางพุทธจรรยาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสัมผัสมาแล้ว แม้จะเป็นระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถที่จะฝึกปลืออบรมตนพัฒนาตนให้เกิดความบริสุทธิ์หมดจุดขึ้นในฐานะนั้ น, นๆก็จะช่วยให้ลดละความสะดุ้งหวาดกลัวลงไปได้โดยลําดับซึ่งกร น, นี้จะพบว่าเมื่อเราเรียงลำดับของเหตุที่เกิดความสะดุ้งโดยหยับจาา ก็จะพบว่าจุดแรกนั้นคือทา่าแต่งความเป็นคนขาดคือเป็นคนขาดโดยจิตสันดานไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรแล้วก็สิ่งที่ตนขาดกลัวนั้นก็ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วก็นำมาขาดกลัวได้ทรงใช้คำว่ามีทา่าแต่งความเป็นคนขาดคือมันติดมาตั้งแต่เกิดประการที่สองพอมาถึงช่วงชีวิตประจำวัน การประพฤติปฏิบัติของบุคคล น, นั้นมีปัญหาในด้านกฎหมายในด้านระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีต่างๆคือตอนเองมีความประพฤติบกพร่องในเรื่องนั้นๆก็จะมีความหวาดเสะดุ้งวิตกกงังวลชั้นต่อไปก็คือเรื่องไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เรียกว่าเป็นคนที่บกพร่องในหน้าที่การงานพอมีการพูดถึงประรบถึงหน้าที่การงานเราก็เกิดสะดุ้งในช่วงต่อไปก็คือปัญหาเรื่องศีลบุคคลสมาทานรักษาศีลอะไรไปแล้วไปทำให้ศีลนั้นมีปัญหาศีลขาดบ้างต่างบ้างทะลุบ้างพร้อยบ้างหรือมีความไม่สมบูรณ์บ้าง ก็เกิดอาการสะดุ้งที่ทรงใช้คำว่าวิปฏิสารคือเดือดร้อนใจความเดือดร้อนใจนั้นอาจจะประรบหลายอย่างประรบตนเองที่ไม่สามารถรักษาสัจจะวาจาไว้ประรบคำติเตียนของวิญญาชนทั้งหลายประรบท่ปเนติปะกันคือหูทิปตาทิปของเทพเจ้าทั้งหลาย ประรบภายในนรกเป็นต้นคือแต่ละอย่างมันก็เกิดก่อให้เกิดความสะดุ้งขึ้นมาในชั้นที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่า น, นั้นก็คือมีปัญหาในด้านจิตใจในข้อนี้บางทีทรงใช้คำโดยสรุปว่ามีกายสมาจารวจีสมาจารจิตตะสมาจา์ คือหมายความว่าความเปพฤติทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์จะมีปัญหาในส่วนใดก็ได้ก็ขอให้เกิดความสะดุ้งด้วยกันา็นี้พึงสังเกตว่าในขณะที่ปฏิบัติสมาธิอยู่นั่นถ้าใจแกหักออกไปในเรื่องของนิวรก็ใดก็ตาม ใจของบุคคลก็จะสะดุง้งไม่ตั้งมัน่นไม่สงบอยู่ในอารมณ์ที่กำลังกำหนดรูดึกเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ก่อให้เกิดความสะดุง้งแล้วพอถึงขั้นของวิปัสสนากรรมฐานเองมันก็ก่อให้เกิดความสะดุง้งใ้ความสะดุ้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าพยาตุปัฐานายานก็เดินไปไกลพอสมควร จนมองเห็นสัตว์และสังขารมีความเกิดดับอย่างชียิตไม่มีอะไรแน่นอนได้เลยเป็นในจังทุกขังอนัตตาที่ไหลเลื่อนกันไปแล้วก็ต่อเนื่องกันไปไม่หยุดไม่คงที่เวลานั้นจิตใจของบุคคลจะมองเห็นอาจจะเรียกว่าสังขารอาจจะเรียกว่านามรูปก็แล้วแต่อะไรที่กำลังกำหนดระลึกอยู่ในขณะนั้น จะเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้หร no ือเหมือนเหมือนตัวเดงไปอยู่ใกล้กับอสรพิษร้ายหรือเสือร้ายที <S <S ่ใจก็จะมีความสะดุ้งแต่ความสะดุ้งแนวนี้จะสะดุ้งไปในแนวดิ่งคือดิ่งไปที่ตันเรียกว่านิพพีทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานคือใจมันจะเดินไปอย่างนั้นให้ความ สะดุ้งในสัตสังขารที่เคยยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของเราด้วยความเป็นตัวตนของเรารกลายเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายน่าระอิดระอาน่าขยะข ย, ยหน่าหวาดกลัวมีภัยเฉพาะหน้ามานเกิดขึ้นพอเบื่อหน่ายใจก็เริ่มคลายกำหนัดความยึดติดเช่นเดียวกับคนที่จับอส ร, รพิษในที่มืดเมื่อเห็น เมื่อออกไปสู่ที่สว่างเห็นว่าสิ่งที่ตนหลงจับอยู่นั้นเป็นอสราพิษก็มีความคิดที่จะคว้างอสราพิษนั้นให้พ้นไปจากตัวเองจันไรใจของบุคคลที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในนามารูปด้วยความเป็นของเราเป็นเราเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอถึงจุดนี้ก็จะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าปัจตุปัทานญาณกิยานมองเห็นความเป็นภัยในสัตว์ในสังขารและแม้แต่ในภพ ตนนี้เพิ่งสังเกตว่ามันอยู่ระดับวิปัสสนากรรมฐานแม้แต่พบก็ไม่สนุกแล้วมันก็ผิดกับระดับของทานของศีลซึ่งยังชอบพบอยู่ยังชอบสวรรค์ยังชอบวิมานชอบเทพปฏิดามากๆชอบบีมา น, ามาบบมานใหญ่ๆสามารถไปได้โดยริดเป็นต้นตอนนั้นยังชอบอยู่แต่ตอนนี้จะมองเห็นเหมือนกันหมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกรารมกุณ คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลตถาภะจะประณีตยังไงมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะเป็นทิฟก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะที่เป็นทิฟเป็นพรหมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะที่เป็นพรหมจะละเมียดละไม่ขนาดไหนมันก็คือการมคุณเมื่อกามาคุณมันก็เป็นการมาถีนกคือมีโทษอยู่ในตัวของมันเองส่วนใครจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นก็คล้ายๆกับ ดูผลไม้ได้ดูน้ำดูอะไรก็ตามดูโดยตาคนธรรมดาก็เห็นโทษได้ระดับหนึ่งดูตาของคนที่เรียนมาทางแพทย์ก็เห็นได้ระดับหนึ่งแพทย์ตเขาใช้กล้องสองก็จะเห็นได้อีกระดับหนึ่งเพื่อเห็นลงไปเรื่อยๆที่จริงก็เป็นการเห็นในจุดเดียวกันเพราะการเห็นโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างแห่งปัญญาว่าจะส่องในลึกขนาดไหนส่องในลึกมากก็เห็นมากส่องลึกน้อยก็เห็นน้อย แต่อย่างน้อยที่สุดในชั้นศีลธรรมจัญญนยาเพิ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นโทษสิ่งที่เป็นคุณว่าเป็นคุณเพราะจะเป็นการกำหนดแนวทางชีวิตของตนให้เดินไปถูกทางแต่บางครั้งแนวนี้ออกจะยากไปคนเข้าใจยากดังนั้นถ้าเรามองกลับไปที่มงคลในสูตรพระพุทธเจ้าจึงเริ่มที่การไม่คบผ่านให้ค บ, บัณฑิต คือเอากระที่คนซึ่งเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้เลยเพื่อที่จะเกี่ยวข้องข้อหากับคนบางพวกข้อหากับคนบางพวกชีวิตคนตนเองจะได้เดินทางไปสู่ความสวัสดีดังนั้นระดับพยตุปัท า, านญาณคืออย่าปีชายานอย่างรู้เห็นขันทั้งห้าหรือนมามรูปหรือสังขารก็นแรกแต่จะเรียกเพิ่สังเกตว่าคำเหล่านี้ที่จึงหมายถึงเรื่องเดียวกัน ว่าเป็นของน่ากลัวไม่ควรแกการยึดมั่นหรือมั่นก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัตพอคลายกำหนัตก็จะแสวงหาทางเพื่อหลุดพ้นเมื่อได้ทางก็รีบออกไปเพื่อใจใ ห, หลุดพ้นแล้วจะเข้าสู่การถ่ายถอนกิเลสตันหาอุปาทานออกไปโดยลําดับมากลายเป็นเข้าถึงนิพพานเข้าถึงความสงบตามเป้าหมายของพุทธศาสนาแต่นั้นจะพบว่าบนเส้นทางเดินของชีวิตนั้น จะมีความสะดุ้งน้อยลงโดยลำดับจนหมดสะดุ้งเราเดินมาเส้นทางสายเดียวกันเริ่มจากความสะดุ้งอย่างมากเพราะกิเลสแก่มากเวลาปฏิบัติสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสน้อยลงความสะดุ้งก็น้อยลงแล้วในที่สุดเมื่อกิเลสหมดไปก็หมดความสะดุ้ง อาจจะมองในเชิงที่เป็นรูปธรรมคล้ายๆกับการขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศคือเราขึ้นไปสูงเท่าไหร่แรงดึงดูดของโลกก็ต่ำลงเท่านั้นคือมีกำลังน้อยลงเท่านั้นแต่มาขึ้นไปขึ้นไปโลกก็จะดูดไม่ได้คือจะหลุดไปจากแรงดึงดูดของโลกจิตใจของพระ เ, รเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อหลุดไปจากแรงดึงดูดของโลกแม้จะกลับมาสู่โลก แม้จะอยู่ในโลกก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะโลกที่ท่านเรียกว่าเป็นตาทิโนคือผู้ของที่ดังนั้นการที่จะเพิ่มพูนความไม่สะดุง้งหรือความองอาจให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของตนจนกลายเป็นผู้แก้วกล้าอย่างที่ท่านยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นชินสีคือเป็นราชสีเป็นดุลราชสีผู้แก้วกล้าผู้ชนะหรือผู้พิชิตก็แล้วแต่จะเรียกเป็นนามพระพุทธรูป ที่เป็นประธานในอุโบสถวัดวรนิเวศก็นั่นหมายถึงพระพุทธคุณประการหนึ่งที่มีอยู่เป็นอันมากของพระพุทธเจา้า <c oughs> เป็นผลจากความหมดกิเลสจึงทำให้เข้าถึงความกล้าหารที่แท้จริงถ้าคุณสมบัติก็คืออลหังกับจรณนะ พุทธคุณบทว่าอาราหังกับวิชาจรณะแต่ก็เน้นที่ตัวจรณะบนเส้นทางสายนี้คนยึงสามารถที่จะดำเนินตามรอยบาทพประศาสดาได้จะเริ่มจากชั้นแรกในกรณีที่มีท่าแต่งความขาดท่าแต่งความขาดนั้นจาเป็นจะต้องเพิ่มพูนปัญญาเข้าไปขจัดเพราะมีลักษณะเป็นสนิมที่เกาะจิตแรง จะต้องพยายามใช้เหตุผลปัญญาหรือศรัทธาเป็นพื้นไว้ก่อนแต่นั้นจะพบว่าแนวคําสอนที่อาศัยศรัทธาในการให้คนไปเกิดขลาดเกิดกลัวเช่นกลัวผีหรือกลัวอะไรก็ตามเพราะไปปักใจเวลาเห็นได้ยินอยู่ในความมืดก็นึกถึงผีอยู่คนเดียวก็นึกถึงผีลมพัดก็นึกถึงผีพอใจมา น, นึกถึงมันก็ปรุงคิดคิดปรุงไปด้วยประการต่างๆ งั้นในชในชั้นหนึ่งจึงทรงสอนในแนวของอนุภาพคือเอาความคิดไปไว้ในที่อีกที่หนึ่งเช่นทรงสแสดงไว้ในทัชกสูตรคือสูตรที่พระดยอดแห่งทงโดยเล่าถึงการทําสงครามระหว่างเท่าส ก, กะกับอบิสุลเกวเบปจิตเตอสุลเท่าสกะสั่งเทพบริวารว่าถ้าเกิดความหวาดกลัวสะดุ้งขึ้นมาก็ให้มองดูทงของพระองค์ทงของอีสานเทพวรุณเทพ เป็นต้นแล้วจะหายวา่าหายสะดุง้งแต่ก็ทรงแสดงเห็นว่าการทำเชนนั้นอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้เพราะก็จริงๆแล้วเทพเหล่านั้นก็เป็นคนยังสะดุ้งอยู่ไมว่าท้าศ ก, กะเองวรุณเทพอิสานเทพประชาวดีเทพก็ยังเป็นคนสะดุ้งอยู่ไอคนสะดุง้งและไปจะให้เพื่อนหายสะดุง้งเรื่องทำได้ยาก จึงทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายที่เกิดความหวาดกลัวถ้าเกิดความหวาดกลัวการผลข้นพองเสงี่ยงกล้าบังเกิดขึ้นภายในใจก็ให้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยบทว่าอิติปิโสภควาถ้ายังไม่หายสะดุ้งก็ระลึกถึงคุณของพระธรรมโดยบทว่าสวะคาโตภวตาธรรมโมถ้ายังไม่หายสะดุ้งก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยบทว่าสุปฏิปันโนภวตโตสาวกสังโฆ แล้วอาการขนผ่องเสียงกร้าวก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นั้นเป็นผู้ไม่สะดุง้งปราศจากราคะโทสะโมหะตัวเองไม่สะดุง้งจึงสามารถเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สะดุง้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของบุคคลอื่นได้ทํานองกับคนเดินทางไปด้วยกันผู้ใหญ่กลัวผีที่แล้ว เด็กก็ต้องกลัวผีตามไปด้วยเพราะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่เป็นหลักเป็นประธานในที่นั้นไม่แสดงอาการหวาดกลัวให้ปรากฏเด็กก็มีความเชื่อมั่นมนความศรัทธามากยิ่งขึ้นในช่วงต่อไปก็คือปรับปรุงที่ความประพฤติรเรียกวิาจารณะอย่าให้มีความประพฤติเป็นปัญหาปัญหาตั้งแต่ชั้นศีลธรรมจันจา ย่งมีปัญหาในด้านกฎหมายด้านจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมแบบแผนกริยามัญญ่าต่างๆซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายนั้นเป็นเรื่องหยาบกว่าก็เห็นกันตร้ๆถายายามทำอะไรให้ผิดกฎหมายแล้วก็เพิ่มพูนความสากะองค์อาจให้ได้กรนี้ก็สามารถดูได้พิสูจน์ได้ เรานั่งรถไปบนถนนไม่ได้ผิดกฎจราจรแม้จะตำรวจจะเปิดอะไรมาวิ่งไล่มาก็ตามเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรียกว่ามองเห็นตนบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องหวาดเสดุงในท่ามกลางคนที่เขาสสดุงเรื่องขนรรมทำเนียมประเพณีแบบแผนต่างๆนั้นอาจจะถูกตำหนิตีเตียนจากบุคคลอื่น ความบาดกลัวจึงเกิดขึ้นจากการตกติเจนไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ก็คืออย่าไปประพฤติกระทําให้ผิดในชั้นศีลก็คือการพยายามสํารวมระวังรักษาศีลที่จริงศีลนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราไปอยู่ในสังคมใดสังคมบางสังคมก็ไม่สนใจในเรื่องนี้บุคคลก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องหน้าวาดกลัวอะไรแต่ประการใด แต่ข้อที่ควรคำนึงก็คือว่าศีลนั้นเป็นปฏิปทาที่จะนําบุคคลไปสู่สุคติถ้าหากก็าทำได้สมบูรณ์อย่างที่ท่านไว้ในตอนศีลว่าศีเลนสุคติยันติคือบุคคลจะไปสู่สุคติได้เพราะศีลแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาในด้านศีลใหญ่ๆคือศีลท่ามันก็เป็นปฏิปทาที่จะนําคนไปสู่นะรกได้ ดังเมื่อคนไม่มีปัญหาในเรื่องศีลก็ไม่มีความสะดุ้งในปัจจุบันเลยไตายไปแล้วก็ไม่สะดุง้งจะเทียกว่าตายตาหลับจึงข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสถานะของบุคคลที่ทําความดีเอาไว้ว่าเป็นไม่สะดุง้งเป็นผู้ไม่สะดุ้งในภพทั้งสองในทั้งภพนี้และภพหน้าจะจะกลับเป็นผู้เพลิดเพลินบันเทิงเรื่องเริงใจในจงแสดงไว้ว่า บุคคลผู้ทำบุญเอาไว้ยอมบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วจะบันเทิงเขาจอมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของตนหมดจดในระดับใดหมดจดระดับที่คนอื่นจะติเตียนเราวินดูชนจะติเตียนเราเองจะติเตียนกฎหมายจะจับกุมในปัจจุบันนั้นโทษที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นไม่มีก็ไม่สะดุ้ง แต่มองเห็นบาปกรรมที่ตนกระทาเอาไว้ไม่มีอะไรแรงจนถึงกระตกนรกแล้วก็ไม่หวาดสะดุ้งในสัมปราญภพไม่หวาสะดุ้งหลังแกบตายไปแล้วทีนี้มาถึงในชั้นของธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะจิตใจนั้นมีความละเมียดละใหม่ขึ้นอาการเหล่านี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าที่จริงก็คือเรื่องของอดระไม่ความสะดุ้งกลัวต่อบาป แต่ถ้ามีความสะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปเป็นหลักใจเอาไว้ไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปเพื่อไดแรงอานาจของกิเลสแม้แต่ในความคิดเรื่องชั้นก็ความคิดจะพบว่าบางครั้งเป็นความคิดที่ไม่สมควรทึ้งท่านใช้ว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะ น, น, น, นั้นๆแน่นอนในชั้นศีลไม่ถึงจะปรับจนถึงผิดศีลกันแต่ในชั้นของมโนธรรมสานึก ความคิดที่เป็นไปด้วยแรงของกิเลสจึงคิดนึกให้คนอื่นประสบความทุกข์รือคิดนึกด้วยอำนาจราคะแรงโทสะแรงหรือโมหะแรงก็ตามถือว่าเป็นความคิดที่ไม่สมควรและความคิดในลักษณะนี้บางครั้งถ้าหากว่าไปคิดเกี่วับคนที่เป็นพระรยเจ้าอาจจะมีผลกระทบในลักษณะแร ง, แรง าท่านเรียกว่าเป็นปทุสจิตคือจิตที่ปะทุสไรคิดปะทุสไรต่อท่านที่มีคุณธรรมสูงหรือคิดไม่เหมาะไม่ควรต่อท่านที่มีคุณธรรมสูงเช่นโสรยะเศรษฐีคิดถึงพระหมหากระเจยะนะในทํานองไม่เหมาะไม่ควรก็ประสบผลกรมในปัจจุบันในชาตนี้ถ้าพยายามบรรเทาขจัดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นนิวรณ คือเครื่องกั้นจิตของคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีให้จางๆลงไปอาการสะดุ้งทางใจก็จะน้อยลงโดยการกำจัดนิวรณนั้นถึงสังเกตว่าไม่ใช่ว่าเจาะจงจะต้องนั่งคุบบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็าหนดลมหายใจเข้าออกหรือใช้กรรมฐานบทใบดบทหนึ่งเสมอไปจริงๆแล้วบุคคลสามารถใช้สติระลึกรู้อารมณ์ในขณะนั้นๆถ้าเห็นว่ามีปัญหาก็ขจัดออกไป เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลมไม่เกิดปัญหาขึ้นภายในจิตใจของตนเองเมื่อประพฤติปฏิบัติไปจิตใจก็จะตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นอาการวาดสะดุ้งทางใจก็จะน้อยลงข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเช่นแม้แต่ในการปฏิบัติสมาธิสมมติว่าพอ่าถึงถึงปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานที่จริงอันมีลักษณะอย่างแกว่ง ไม่เคยมั่นคงอะไรเท่าไร่คล้ายๆกับคนกระโดดข้ามตะลิง่งคือข้ามคูแคบๆเป็นการกระโดดขึ้นไปเหยียบอีกฟากหนึ่งแต่ยังไม่มั่นคงคือทรงตัวยังไม่มั่นคงในช่วงตัวนั้นถ้าแม้แต่เด็กผลักทีเดียวก็ลม้มเพราะการทรงตัวยังไม่แข็งแรงปฐมฌานจะมีลักษณะอย่างนั้นมีอะไรมันกระแทกหน่อยเดียวก็หก ล, ล้มล่ะจิตตกแล้ว นั้นถือว่าตรงนี้ยังหวั่นไหวยังมีการสะดุ้งอยู่แต่โดนอะไรอารมณ์อะไรมากระแทกไอ้ตัวด้เกิดกำหนัดโดยเฉพาะคือพวกกรรมฉันกับพยาบาทถ้าอารมณ์มากระตุ้นกรรมฉันกับพยาบาทกรรมฐานก็แตกทันทีจะรักษาไว้ไม่อยู่อาจจะเสื่อมลงไปกว่าเดิมได้ทำไปต้องนั่งนับหนึ่งกันใหม่แต่ถ้าหากว่า มองในเชิงเทียบเคียงกับความสะดุ้งข้างล่างอ่งที่กล่าวมันก็น้อยลงไปและจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัติเดินมาในรักขณานี้สมมติมาถึงจุดของสมาธิหรือจุดของฌานอิเลสประเภทหยาบหยาบที่เป็นเหตุให้สะดุ้งแรงแรงกลัวแรงแรงมันก็น้อยลงไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นความละเมียดละใหม่ในชั้นจิตใจ คล้ายๆกับว่าเป็นฝุ่นละอองจํานวนหนึ่งก็ไปอยู่ที่ผ้าซึ่งกำลังแก่สะอาดมันดูเห็นได้ชัดเท่านั้นเองทรงสอนให้ปฏิบัติขัดเกลาวไปได้ไปโดยลำดับเพื่อผ่อนคลายลดละความสะดุ้งลงไปเส้นทางสายนี้ ที่เดินไปจนเป็นสมถะกรมาามมะกรมฐานนิัสสนกรรมฐานจึงกลายเป็นวงของปริยะเป็นปฏิปทาเดียวกันคือมีมีเส้นทางเดียวที่บางครั้งท่านเรียกว่าเอกายนานมักคือทางอันเอกหรือทางอันเดียวมันก็เดินกันทางนี้ทั้ทงนั้นเวลาฟังธรรมศึกษาธรรมพอมาถึงระดับนี้จะได้ยินในฟังธรรมซ้ำๆเพราะจะซ้ำอย่างนั้นทุกที หมาความว่าเช่นปฐมชฌานในคนได้ปฐมชฌานหรือว่าสงบนิวรณ์ได้สงบการมฉันนิวรณ์ได้หมายความวระสมาธิเกิดและสงบกรมฉันนิวรณ์ได้ตอนพระพุทธเจ้าทำมันก็เหมือนกันใครทําก็เหมือนกันปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแต่เราดูแล้วคล้ายๆกันว่าทําไมธรรมะจึงมาซ้ํามันก็ทําเป็นอย่างนั้นเองเป็นเรื่องของกุศลก็คือเรื่องของกุศลบุคคลจะสัมผัสเหมือนกัน ถ่าในระดับเดียวกันดังนั้นผู้ปรารถนาที่จะเดินไปบนเส้นทางแห่งพุท ธ, ธจริยาเพื่อความเป็นสกกะคือองค์อาติแท้จริงจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนทั้งในส่วนวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติรมกายวาจาใจของตนให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับ และความหวาดความสะดุ้งก็จะจางคลายลงไปกลายเป็นสักกะคือผู้องอาจตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป